ภุาสิท์บทหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยเป็นอุปมาสิทิ์สั้นๆนะแค่บรรทัดเดียวแต่ว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งมากทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจคาว่าทำทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าคลุมทุกสิ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจึงสามารถที่จะนะ จำแนกแยกแยะได้มากมายอันนี้รวมไปถึงความสุขและความทุกข์ด้วยน ะ, ะสุขหรือทุกข์เนี่ยของคนเราเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่กับใจเป็นสำคัญพูดอย่างนี้บางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นจิตนิยมนะแต่ที่จริงแล้วถ้าเราพิจารณาถึงความจริงในชีวิตประจำวันเนี่ย ส่วนใหญ่คนเวลาพูดถึงความสุขเนี่ยก็มักจะหมายถึงการที่ได้รับสิ่งดีๆสิ่งที่น่าพอใจอเช่นได้ไปเที่ยวชมวิวถือทัชจีสวยงามได้กินอาหารอร่อยได้ฟังเพลงเพราะยังไม่ต้องพูดถึงการที่ได้ทรัพย์ได้โชคได้ลาบแล้วคนมักจคิดว่าเนี่ยถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะมีความสุขทันที ที่จริงแล้วยังขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะคือใจถ้าใจเราเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมนะแม้จะได้รับได้เสพสิ่งดีๆมันก็ไม่มีความสุขนะเชนอุตส่าห์เดินทางไปเที่ยวกลถึงอเมริกาไปชมน้ำตกนการาที่สวยงามแต่ถ้าใจเนี่ยนะมีความโกรธนะ อาจจะโกรธนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนะที่ส่งเสียงดังนะหรือว่าแซงคิวเนี่ยพอใจเราโกรธนะแม้ไปสถานที่ที่สวยงามเสียงเงินไปเป็นหมื่นหลายหมื่นมันก็ไม่มีความสุขนะบางคนก็ อาจจะคุ่นเคืองเพราะว่าคนที่แลกเงินเนี่ยสมมติไปอินเดียเนี่ยนะโอจะไปที่ที่สวยงามไปถึงแล้วแต่พอมารู้ว่าเองเงินที่แลกนะจากคนอินเดียที่พบบนถนนหรือพบที่ร้านเนี่ยเขาให้ไม่ครบเนี่ยขาดหายไปหลายร้อยลูปีเลย โกกรวเลยนะโกรธเพราะเสียรู้ถึงตอนนั้นเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนแม่จะไปถึงทัชมาฮารก็ไม่มีความสุขได้พบสิ่งสวยงามแต่ใจมันไม่ ม, ไ ม, มันไม่ได้ไปด้วยนะไม่ได้สอดคล้องด้วยเนี่ยมันก็มีความสุขกินอาหารพัตการหรูที่เขารีวิวเนี่ยได้ห้าคะแนนเต็มห้าดาวเนี่ย หรือว่ามีบิชลินสองดาวสามดาวแม้บรรยากาศจะดีนะอาหารอร่อยแต่ถ้าใจเนี่ยนะเกิดเศร้าขึ้นมาเพราะเพิ่งได้ข่าวว่าเพื่อนสนิทเนะี่ยประสบัติเหตุเป็นตายเท่ากัน ได้ข่าวทางโทรศัพท์มือถือหรือได้ข่าวทางรลน์ใจเนี่ยมันเศร้าเนี่ยวิตกน่นะอาหารดูอาหารเลิกยังไงก็ไม่มีความสุขไม่รู้สึกอร่อยด้วยหรือว่าไปชมคอนเสิร์ตนะชมคอนเสิร์ตบาทนี้ราคาของสองสามหมื่นนะ การแสดงก็ตาการตาแต่ว่าถ้าเกิดว่าใจในเกิดวิตกกังวลเพื่อนที่ชวนมาด้วยหายไปไปไม่มีร่องรอยแค่มาทามาสายยังพอว่านี่หายไปเลยตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนเป็นตายแลดียงก็ไม่รู้ อุตสาชวนมาเชียร์คอนเสิร์ตด้วยกันงเรืองอ จ, จะเป็นลูกนะลูกสาวลูกชายนานๆจะได้พ่อแม่จะได้ไปชมคอนเสิร์ตด้วยกันแต่ว่าลูกสาวหรือลูกชายหายไปไม่มาตามนัดไม่รู้ไปไหนเป็นตายแล้วดีไงก็ไม่รู้หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุ อจามีคิดแบบนี้นะคอนเซิร์ตจะวิเศษยังไงเนี่ยกม็มีความสุขใครจะกระโดดโลดเต้นยังไงฉันก็ไม่มีอารมณ์จะกระโดดโลดเต้นด้วยอันนี้เรียกว่าเนี่ยความสุขเนี่ยแม้เป็นความสุขแบบง่ายๆนะัคือความสุขจากสิ่งเสพเสพทางตาเสพทางปากเสพทางหูแต่ว่าถ้าใจเนี่ยมัน ไม่ได้เอออไปด้วยนะก็ไม่มีความสุขอะใจนี่เป็นส่วนประกอบสาคัญนะที่จะทำให้เรามีความสุขเวลาเราได้รับสิ่งเสพหรือได้พบประสบสัมผัสสิ่งที่น่าพอใจที่เราเรียกว่าอิทธารมนะอิทธารมคือรู้รสกิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจเราต้องเหตุการณ์ด้วย แมะทั่งการได้ลาบนะได้ลาบได้โชคได้เงินได้ตำแหน่งอาจจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งซ e o หรือได้สมณรัก์จะดีใจได้มีความสุขได้เนี่ยมันต้องมีตัวหนึ่งนะอยู่ในใจเรานั่นคือความอยาก ถ้ามีความอยากนะได้มาก็เฉยๆไม่อยากไม่ได้อยากได้สมณศักดกกิ์ไม่ได้อยากมั่งอยากมีไม่ได้อยากเด่นอยากดังไม่ได้สนใจตําแหน่งจะมีความสุขก็ต้องมีความอยากแล้วความอยากก็อยู่ที่ไหนที่ใจเราความสุขสันใดความทุกข์ก็ันนั้นนะความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ ไม่ให้ว่าเกิดขึ้นนันทีที่เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเช่นรูปรถกินเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือทีอเรียกว่าอนิจธารมเจอเสียงดังเจอเสียงดา ว, ว่าเนี่ยอันนี้มันชัดเลยนะอ น, นิจธารมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยินหรือเราไม่สนใจเนี่ยก็ไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่เครียด เพ่อนใจตอนน่าจะไปสนใจอย่างอื่นแทนใจไม่ได้ไปรับรู้เสียงเหล่านั้นหรือถึอแม่จะรับรู้ได้เต็มหูเลยนะแต่ถ้าใจเราเนี่ยมันรับรู้หรือมันมีมุมมองเกี่ยวกับเสียงอีกแบบหนึ่งถ้ามีแม่ลูกสองนะพาลูกเนี่ยนั่งรถ นะข้ามจังหวัดลูกชายสองคนเนี่ยคนนึงก็อายุ9ก้ขวบอีกคนนึงก็อยู่สนั่งอยู่หลังรถ แ, แม่เป็นคนขับเด็กชายเนี่ยพอเจอนเนี่ยต้องหยอกล้อกันหยอกกันก็ส่งเสียงทีแรกก็เสียงก็ไม่ดังแต่หลังก็นเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆยิ่งหยอกยิ่งแรงก็ยิ่งเสียงดัง เสียงดังจนางแม่นี่หันมาเอ็ดเลยนะาหยุดเล่นก็นได้แล้วเนี่ยเสียงดังรบกวนนะรบกวนแม่เด็กก็เชื่อนะเงียบสัพักเนี่ยนะลูกชายตัวเล็กเนี่ยก็ยืน่นหน้ามาหอมแก้มแม่แล้วก็พูดกับแม่ว่าคุณแม่ครับ ลองมองว่ามันเป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุดของลูกดุกสิครับสักพักนี้ก็เริ่มนะคุยเล่นกับพี่ชายแล้วก็เริ่มหยอกแล้วเสียงก็ดังขึ้นเรื่อยๆดังเท่าเดิมแล้วาเนี้ยแต่คนนี้แม่นี้ไม่ไม่โกรธไม่หงุดหงิดแล้วไม่ทุกข์แล้วเพราะอะไรนะเพราะว่ามองว่าเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงรบกวน แต่เป็นเสียงสวรรค์เสียงความสุขของลูกคนเป็นแม่ก็ย่อมพอใจยินดีเสียงก็เสียงเดิมนะแต่ว่าความรู้สึกมันเปลี่ยนไปหรือมุมมองมันเปลี่ยนไปไอความรู้สึกหรือมุมมองนี่เป็นเรื่องของใจนะอย่าว่าแต่เสียงหยอกเลยนะของลูกเนะี่ยบางีเสียงระเบิดนี่นะเด็กบางคนได้ยินแะล้วก็หัวเราะนะ เพราะพวกเราเนี่ยพอถึงินเสียงระเบิเดเนี่ยว่าแต่เสียงระเบิดและสียงประทัศนเนี่ยก็จะสะดุ้งหงุดหงิดวอยวายแล้วเราคิดว่าเราทุกเพราะเสียงในจริงมันไม่ใช่นะยังแต่คนเนี่ยนะเขาอยู่ซีเรียนะซีเรียเนยเมื่อส 4, มสี่ห้าปีก่อนเนี่ยมันเกิดสงครามกลางเมืองสู้รบกันกลางเมืองเลยนะทั้งฝ่ายระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายกบฏมีการส่ง เคืองบินมาทิ้งระเบิดปืนใหญ่ถลม่มเมืองของฝ่ายกบฏ ท, ที่เขายึดเมืองเอาไว้มีเด็กผู้หญิงคนนึ่งหน้ายุบขวบเนื้เดีย๋ยวว่าถ้าเสียงระเบิดเลยนะแค่เสียงประทัดเนี่ยพ่ายหญิงก็ร้องไห้ยิ่งเจอเสียงระเบิดตูมๆเสียงปืนครกยิ่งร้องไห้แผ่เสียงดังใหญ่พ่อไม่รู้ใช้เป็นไงนะวันนึงเนี่ยนะ พ่ก็มันมีเทศกาลทางศาสนาแล้วก็เด็กในเมืองแล้วก็มีการจุดประทัดกันจุดประทัดก็ผัวราอส่งสนานเพราะมันเป็นเทศกาล ร, รุ่นเริมที่แรกเด็กเนี่ยก็ตกใจร้องเมื่อได้นเอสียงประทัดพ่อก็เลยอุ้มลูกมาดูเด็กเด็กชายที่มาเล่นกันบนถนนรอเชีให้ลูกดูเสียลูกดูเสีย เวลาประทัดดังเป็นยังไงเด็กหัวเราะเด็ก <c oughs> ก็หัวเราะ ก, กันใหญ่เลยลูกสาวพอเห็นเด็กกนหน่งหัวเราะตื่ก็หัวเราะบ้างเวลาประทัดดังตอนหลังเนี่ยเวลามีเสียงระเบิดเนี่ยพ่อก็บอกลูวเนี่ยไอ้เสียงพวกนี้เนี่ยนะมันมาให้เราหัวเราะนะเด็กก็นึกถึงเสียงประทัดว่าเสียงประทัดคือเสีย ง, งความสุขที่สมควรจะหัวเราะไม่ได้ยินฉันใดเนี่ย เสียงระเบิดก็เหมือนกันนะา่มีเสียงความสุขดังที่ไรก็หัวเราะหัวเราะแบบเต็มที่เลยจนถึงเด็กอายุสามขวบนะวันหนึ่งพ่อก็โพสนะวีดีโอนะมีเสียงบีดวิวบนฟ้าเนี่ยพ่อก็ถามลูกนั่นเสียงอะไรเสียงระเบิดเสียงปืนครกหรือเสียงระเบิดจากเครื่องบินเด็กบอกเสียงระเบิดจากเครื่องบิน สักพักเสียงดังตูมนะดังสนั่นเลยเด็กกัวร้อยเลยหลัลวร้อกกริ่งเลยนะมันมีคนถ่ายวิดีโอไว้แพ่ไปทั่วโลกเลยคือประเด็นคือว่าเด็กเนี่ยนะแต่ก่กอนเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดก็ตกใจแต่พอพ่อบอกเด็กว่าเนี่ยไอ้เสียงเเสียงความสุขนะ เมื่อมันดังเราควรจะทํำยังไงโอ้หัวเราะสินะทีแรกก็หัวเราะเมื่อได้เสียงประทัดตอนหลังพอเสียงระเบิดไม่ว่าจะเบิดระเบิดจากเครื่องบิหรือเสียงระเบิดจากปืนครกเด็กก็หัวเราะไม่ได้ร้องห้าไม่ได้ทูกอีกแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ได้มองว่ามันเป็นเสียงะระคายโสตประสาทแต่มองเป็นเสียงแห่งความสุข ไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยพอไดยิงเสียงระเบิดแล้วมันจะเป็นทุกข์เสมอไปนะมันอยู่ที่ใจและเด็กคนเนี่ยเด็กสามขวบเนี่ยเขาก็เชื่อฟังพ่อแล้วเาก็เห็นเองนะว่ า, วาเออประทัดเวลามันดังเนี่ยมันไม่ควรจะทุกข์เลยนะเพราะคล้ายๆก็หัวเราะเราก็หัวเราะบ้าง แล้วพอบอกว่าเนี่ยพอพ่อบอกว่าเสียงระเบิดมันก็เสียงความสุขเหมือนกันเหมือนกับประทัดแหะเด็กก็เลยหวัวเราะนะถามว่าเด็กมีความสุขไหมได้ยินเสียงเนี่ยเด็กมีความสุขย่งน้อยเด็กก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะใจของเด็กเนี่ยเขามองนะเสียงเนี่ยมันต่างจากผู้ใหญ่ที่จริงผู้ใหญ่ก็มองกันได้นะอย่างที่แม่เนี่ยพอได้ยินเสียงทักของลูกว่าเนี่ย เสียงของลูกมันเสียงความสุขไม่ใเสียงรบกวนความรู้สึก ข, ของแม่ก็เปลี่ยนไปนี่เรียกว่าเนี่ยแม้ว่าจะได้ยินเสียงที่เป็นอนิจฐามณมมันก็ยังอยู่ที่ว่าใจเป็นอย่างไรนะแม้จะเจออนิจฐามณมแต่ว่าไม่เป็นทุกข์ก็ได้หรือกลับจะเป็นสุขด้วยซ้ำก็ได้อยู่ที่ใจ ไม่ใช่จะอนิถารมนะที่หลายคนเป็นทุกข์เวลาเจอหรือประสบอหลายคนเป็นทุกข์เวลาไม่ได้รับอนอิถารมไม่ได้โชคไม่ได้ลาบไม่ได้เงินไม่ได้ทองไม่ได้เลื่อนตำแหน่งมีความทุกข์จริงเนี่ยแม้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์เสมอไปนะอยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจถ้าใจเนี่ยอยากแล้วไม่ได้เนี่ยจึงจะทุกข์ถ้าใจไม่อยากรือแม้ไม่ได้ก็ไม่ทุกข์นะอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยสำคัญนะประโยคสั้นๆเนี่ยปรารถนามีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ ไม่ได้สิ่งใดนะก็คือสิ่งที่เคยๆก็ปรารถนาโชคลาภเงินทองความมั่งมีแต่แม้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์นะจนกว่าจะมีความปรารถนาการปร า, ารถนาไม่ได้เนี่ยไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราทุกข์เพราะเราปรารถนาสิ่งนะั้นแล้วเราไม่ได้นะมีอาจารย์คนหนึ่งนะั้นมีลูกชาย หูแก้วหูแว น, เ, นเรียนเก่งมากนะสอบได้หมออันดับต้นๆแล้วก็เรียนดีมาตลอดจนทั้งพออยู่ปี4ีเนี่ยลูกบอกพ่อว่าผมเรียนต่อไม่ไหวแล้วผมไม่ชอบเป็นหมอผมไม่ชอบเลือดไม่ชอบหนองไม่ชอบรักษาคนไข้ผมจะอยากจะไปเรียน finance นะการเงิน ผมใหญ่เป็นนักวิเคราะห์การเงินผมจะดยอกแล้วไม่เรียนหมอพ่อเป็นทุกข์มากเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะจนไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยนะถามว่าพ่อเนี่ยทุกข์เพราะอะไรการที่ลูกเนี่ยไม่เรียนหมอเนี่ยหรือไม่ได้เป็นหมอเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยนะแต่ที่พ่อทุกข์เพราะอะไร พ่ออยากจะให้ลูกเป็นหมออยากจะให้ลูกเป็นหมอคนที่เขาเจอลูกที่มาบอกว่าผมไม่อยากเป็นหมอแล้วผมอยากจะเรียนครูเ ร, เรียนมันฑนศิลป์เนี่ยพ่อบางคนแม่บางคนไม่ได้ทุกข์เลยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้อยากให้ลูกเป็นหมอลูกจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ลูก แต่คนที่เป็นพ่อเนี่ยเจ้าเนี่ยก็จะโทษลูกนะว่าเนี่ยลูกนี่ไม่รักดีพ่อสา ส, ส่งเสียให้ลูกได้เรียนกันได้เรียนหมอไปโทษลูกนะว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ของพ่อแต่ตอนหลังพ่อได้ได้คิดนะว่าเนี่ยให้เป็นพ่อใจของเราต่างหากเราไปยึดมั่นถือมั่นในความอยากของเราทั้งที่ลูกเขาก็ไม่ได้ไปเกเรสุขภาพเขาก็ดีแล้วเขารักในสิ่งที่เขาเรียน ก็มีหวังจะเจริญในอาชีพนี้พอมองแบบนี้เนี่ยนะก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์ของตัวเนี่ยเกิดจากความอยากความปรารถนาอยากจะให้ลูกเป็นหมอมันก็ตรงกับที่พรเจ้าตัสเลยนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ลูกไม่เรียนหมอไม่ได้ทําให้พ่อเป็นทุกข์หรอก พ่อจะเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อปรารถนาจะให้ลูกเด่นหมอจริงๆลองเรามาดูนะไอ้ความทุกข์ของเราเนี่ยที่เราเป็นทุกข์เพราะคิดว่าไม่ได้โน้นไม่ได้นี่เนี่ยจริงๆไอ้การไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เราทุกข์เลยแต่ที่เราทุกข์เพราะความปรารถนาอยากได้สิ่งนั้นอายุตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยหลายคนนี่ทุกข์มากเลยนะ แต่ถ้าดูไเดียมันความมันเป็นความทุกใจเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ทุกกายเท่าไหร่นะนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าง่วงแล้วไม่ได้หลับเนี่ยอันนี้ทุกแต่นอนไม่หลับเนี่ยนะจริงๆไม่ได้ทุกอย่างน้อยก็ไม่ได้ทุกเมื่อเทียบกับปวดหัวปวดท้องปวดหลังปวดหัวปวดท้องปวดหลังเป็นไข่เนี่ยนนี้มันทุกชัดเจนกว่าแต่นอนไม่หลับเนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกเลยแต่ทำไมบางคนเป็นทุกก็เพราะอยากจะนอนให้หลับเนี่ ความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะ น, นอนไม่หลับนะแต่ทุกข์เพราะอยากจะนอนให้หลับแล้วมันดันไม่หลับก็ตรงที่พระเจ้าตัดน่ะมาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์คนไปคิดว่าเนี่ยนอนไม่หลับทําให้ทุกข์แต่ไม่ได้มองว่าที่แ ท, ท้จริงเป็นอยู่ที่ใจเราเนี่ยคือความอยากอยากนอนให้หลับอาจจะเป็นเพราะมีความกังวลว่าถ้านอนไม่หลับแล้วจะเป็นอย่างง้นอย่างนี้พอมีความกังวล หรือพอรู้สึกผิดหวังเป็นทุกข์พอ น, นอนไม่หลับสมอยากมันก็เลยยิ่งนอนไม่หลับใหญ่แต่พอลองวางความอยากลงนะไม่หลับก็ไม่หลับวางความอยากลงความทุกข์มันจะหายไปเลยนะแล้วเผลอๆเนี่ยมันก็จะหลับได้เองนะหลับเพราะไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความกังวลไม่มีความทุกข์รบกวนและที่ไม่มีความทุกข์รบกวนเพราะว่า วางความอยากลงบางคนเราเนี่ยมักจะมองหาเหตุแห่งทุกเนี่ยแบบผิดฝาผิดตัวนะพ่อคนที่เป็นอาจารย์ก็โทษลู ก, ลกเนี่ยทาให้พ่อเป็นทุกข์แม่เป็นผู้เป็นคนเพราะลูกไม่เลี้ยงหมอแต่ที่จริงเนี่ยที่พ่อทุกเนี่ยเป็นเพราะพ่ออยากจะให้ลูกเลี้ยงหมอไม่ใช่เพราะว่าลูกไม่เลียงหมอถ้าลูกไม่เลี้ยงหมอแล้วพ่อไม่ได้อยาก ให้ลูกเรียนหมอพ่อก็ไม่ทุกข์นอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอย่างอื่นเลยนะเป็นเพราะใจเราเนี่ยมีความอยากหลายคนเนี่ยไม่ได้ทุกเลยนะที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้หรือว่าไม่ได้เป็นผู้จัดการเป็นซีออย่างพวกเราเนี่ยนะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้ทุกเลยหรือย่างพระเราเนี่ยนะไม่ได้เป็น ชั้นราชั้นเทพไม่ได้ทุกเลยเพราะอะไรเพราะไม่ได้มีความอยากเนี่ยใช่ไหมเพราะไม่มีความอยากนะถึงแม้จะไม่ได้เพชรไม่ได้พลอยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นประหลักกระทรวงไม่เห็นทุกอะไเลยแล้วไม่ใยไม่ได้อยากเป็นชั้นราชั้นเทพไม่ได้ก็ไม่ได้ทุกเพราะไม่ได้อยากเนี่ย แต่คนบางคนเนี่ยเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะเขาอยากแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ก็โทษว่าทําไมคนโน้นไม่ให้ฉันทําไมไม่เลื่อนตําแหน่งให้ฉันไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทําให้ฉันทุกขแต่ลืมมองว่าที่แท้เนี่ยเป็นเพราะความอยากในใจเราอันนี้แหละคือในยะหนึ่งนะของความหมายที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นี่ยมีใจเป็นหัวหน้าหรือว่าสำเร็จล่าที่ใจ คอเราเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปไปโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นเหตุให้ใจเราทุกข์แต่ที่ใจเราถ้าอยากให้ใจไม่ทุกข์ก็ลองมาดูที่ใจเรามาปรับเปลี่ยนมากลับแก้ที่ใจเราอย่ามีผู้ป่วยมะเร็งคนหนึ่งนะชื่อแซมนะเป็นมะเร็งแล้วก็แกก็มีความหวังในการเอาชนะมะเร็งมาก แม้จะฉีดคือมหมอฉาแสงแพ้ยังไงก็ทนตรงนั่งออกจากโรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นแต่ว่าตัวผอมแล้วก็ดำใครเห็นก็หลบเพราะคิดว่าแกติดยาและจุดที่เรียกว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายของแกคือตอนที่ไปห้างเซเว่นนะแล้วก็เด็กเล็กๆเนี่ยเห็นแกก็ร้องไห้แม่ของเด็กเดินมามองหน้าแกมันก็ว่าแกแกล้งเด็ก สายตาของแม่และปฏิกิริยาของเด็กมันทําให้แกทนไม่ไหวกลับไปบ้านร้องไห้เลยนะอุตส่าห์สู้กับมะเร็งจนผ่านมาได้นี่แต่ต้องมาเจอแบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแต่สักพักแกก็ได้คิดนะว่าไอเราเปลี่ยนความคิดคนอื่นไม่ได้นะแต่เราเปลี่ยนความคิดของเราเองได้แทนที่เราจะเรียกร้องให้คุณมาเห็นใจเราเราก็ลองเข้าใจคนอื่นก็าบ้างสิ จากเดิมนะที่จะไปเรียกร้องคาดหวังให้เขาต้องเห็นใจเราปฏิบัติกับเราอย่างดีเป็นอย่างที่ว่านะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ปรารถนาให้เขายอมรับเรานะมองเราเหมือนคนทั่วไปแต่พอเขาไม่มองเราอย่างนั้นก็เลยทุกข์พอมาปรับใจสมัยนะั้นลดความปรารถนาลงนะไม่ได้ใยเขาเห็น ไม่ได้ปรารถนาเขาเข้าใจเราเพราะเข้าใจเขาว่าเขาก็ก็คงจะรู้สึกกับเราไม่ค่อยดีเพราะเราเมื่อนคนติดยาพอเข้าใจเขาไม่ได้มีความปรารถนาหรือเรียกร้องอยากเข้าเข้าใจเราไม่ทุกข์เลยคนนี้ไปไหนมาไหนก็สบายใครก็จะหลบใครก็จะมองด้วยสายตายยางไงก็เป็นเรื่องเขา พอเราไม่ได้คาดหวังจากเขาแล้วเราก็ไม่ทุกข์ก็การที่เปลี่ยนจากความคาดหวังจากคนอื่นมาเป็นการไม่คาดหวังจากคนอื่นหรือว่าการที่จะเรียกร้องความเข้าใจจากเขาก็หันมาเข้าใจเขาแทนมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่ได้มีความทุกข์อะไรในการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะมันควรจะทำให้เราได้ตระหนักนะหรือได้เห็นนะว่า ไอ้ความทุกข์ในใจเนี่ยนะมีสาเหตุมามามีสาเหตุที่ใจของเรามากกว่าสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังนไม่ว่าจะเป็นความยึดติดแล้วไม่ได้สิ่งที่ยึดหรือว่าสูญเสียสิ่งที่ยึดเอาสิ่งที่ยึดไปหรือการผลักไสไม่ยอมรับเช่นเสียงดังก็ผลักไสแทนที่จะ แทนที่จะยอมรับถ้าเราเนี่ยเจริญสติแล้วเราเห็นนะว่าสมุทัยเนี่ยหรือเหตุแห่งทุกข์เนี่ยแท้จริงที่ใจเราเป็นสำคัญอันนี้ก็ถือว่าเราก้าวนา น, นการปฏิบัติแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะเดินจงกรมสร้างจงังหวะตามลมหายใจเป็นปีๆนะแต่ก็ ยังไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจเราไปคาดหวังความสงบจากสิ่งแวดล้อมไปคาดหวังความสงบจากผู้คนว่าเขาต้องดีกับเราการกระทำของผู้คนเขานะมันต้องถูกใจเราถ้าไปหาความสงบแบบนี้เนี่ยจะไม่มีวันพบความสงบนะที่แท้จริงแต่ถ้าหากว่ารู้จักนะ ใส่อจจนหเห็นทุกอยู่ที่ใจเราแล้วก็ปรับแก้ที่ใจเราบางทีเราไม่เป็นต้องมองว่าเสียงระเบิดเนี่ยเป็นเสียงแห่งความสุขเหมือนกันเด็กสามวขวบคนนั้นก็ได้แต่ว่าเราใส่สตินะสติเวลาเสียงมันเสียงแบบนั้นมันดังกระทบหูใจกระเพื่อมเห็นอาการของใจที่กระเพื่อม เห็นความตกใจที่เกิดขึ้นแล้วความตกใจมันก็สงบลงเราก็จะพบว่าโอ้เป็นเพราะใจเราเนี่ยมันมันถล่มเข้าไปในความตกใจในความในอารมณ์เหล่านี้จึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ยินเสียงแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้เพราะรู้ทันความตกใจหรือรู้ทันอาการของใจที่เกิดขึ้น มันก็ใช้สติช่วยได้เหมือนกันนะใช้สติช่วยทําให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่ปล่อยวางอารมณ์ลบที่เกิดขึ้นซึ่งเท่านี้มันก็ช่วยทําให้ใจไม่ทุกข์ลวเพราะว่าความตกใจถ้าเราเห็นมันมันก็ไม่ค้องงาใจแล้วไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นต่อไปว่าโอ้มันเป็นพ่อเราไปคาดหวังความสงบนีมันจะต้องทุกอย่างจะต้องราบรื่นแต่พอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง จึงเกิดความทุกข์นะอย่างที่ท่านว่าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์แต่ถ้าไม่ปรารถนาเนี่ยแม้ไม่ได้มันก็ไม่ทุกข์นะเพราะนั้นเนี่ยการไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะทําให้เราทุกข์เพราะเหตุทุกข์จริงๆอยู่ที่ความปรารถนาสิ่งนั้นนะจับสมุดไทยให้ถูกนะแล้วเราก็จะแก้ทุกข์ในใจของเราได้ โดยที่ไม่ต้องรอให้สิ่งว่าร้อนภายนอกมันเปลี่ยนแปลงหรือถูกใจเราเนะอย่างที่แซมเนี่ยเขาก็พบความสงบในใจเพราะเขาไม่ได้เรียกร้องคาดหวังจากคนอื่นไม่ได้เรียกร้องคาดหวังความเข้าใจจากจากคนอื่นแต่เขากลับมาเปลี่ยนที่ใจเขาเอง